เวาจะคิดอะไรก็ให้กิเลสทํางานแทนเสียโดยไม่รู้ว่ากิเลสมาทํางานแทนทํา่อนพระพุทธเจ้าเรจะเริ่มประกอบความเพียรประโยคใดที่ขึ้นมาในแง่ไหนก็ถูกกิเลสมาขัดมาขวางเสียเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาขัดมาขวางยังภูมิใจอยภูมิใจด้วยความอ่อนแอภูมิใจด้วยความขี้เกียจขี้ค้านภูมิใจด้วยความทอดถอยน้อยใจ มันภูมิใจไปหมดพอใจมันจึงเป็นไปได้อย่างนั้นเรื่อยๆใจหามันไม่พอใจมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเรารู้โทษของกิเลสเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหาเรารู้เรื่องของมันแล้วทาไมมันจะไม่แก้กันได้วะวิทยาแก้แก้กิเลสแต่แค่ไม่ใช่แก้อะไรทำไม่ได้แก้แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วค น, นอุบายของกิเลสขึ้นแง่ละแง่ใดแง่ใดแก้ไปได้จนหมดไม่มีกิเลสเหลือทำไมจะไม่รู้เรื่องคนุ่มยาวกิเลส เมื่อผู้อยู่เหนือกิเลสต้องรู้เรื่องของกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายท่านอาจต้องทำทีทตามตํำรับตาลาทั้งครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนจะเป็นจะตายครบสอนตั้งแต่เรื่องกิเลสเป็นข่าศึกทั้งนั้นไม่ได้สอนว่ากิเลสเป็นคุณสอนว่าธรรมเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคุนมหาคุณทั้งนั้นแต่จิตมันทําไมมันไปติดแน่ไปกับกิเลสไปกราบกิเลส อ, อย่างสนิท เือความภูมิใจในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยนั่นราละเอียดขนาดไหนลเลสเมื่อทํามันยังไม่เข้าถึงใจกิเลสต้องละเอียดสุดเดี่ยวจนกว่าว่าทำได้แท้เข้ามาอลไรเข้ามาอะไรแล้วก็ค่อยรู้ไปเลยไปเลยแล้วกระทั่งทําเต็มหัวใจใจกับทําไปอันเดียวกันแล้วมาแนี่ไหนกิเลสนั่นนะ่ะว่านี้เลยที่จะไม่ทันไม่รู้กันนั่น น, ะน่ะนงานที่ท่านพูดมีความฉลาด แล้วกลมด้วยอดุดทำภายในจิตใจจริงๆมองดูพวกเราจึงไม่ได้มองดูยากอะไรเลยก็เหมือนพวกเรามองดูวัวดูควายตามทุกงท้องนานั่นแหละเราเป็นยังไงเรามองดูควายควายลู่าเรามองดูไหมไม่รู้จะกัดหญ้ากินลุยขึ้นขนานเลื่อนเร็ตามภาษาภาษาของมันที่มันเป็นควายมันเป็นสัตว์นี่เราไม่ใช่ควายสิหืม ครูแนะนําเตือนสั่งสอนก็เตือนอยู่เรื่อยในอาจในทำมิตเตือนแต่บอกแต่สอนจากความเทศธนาว่าการคูของอาจารย์ที่เราเป็นพี่แน่ใจเป็นที่เรารวรวมใส่ก็มีเตบอกแต่สอนแต่เตือนอยู่เรื่อยในเรื่องโทษของกิเลสพอจะตั้งความเพียรขึ้นมากิเลสกี่กันความเห็นว่าลําบากมันจะมาแล้วน่ะ คำว่าเห็นม้าลําบากก็คือการจะก้าวออกไม่สะดวกอย่างน้อยก้าวไม่สะดวกนะมากกว่านั้นแต่ก็ทําให้หยุดชะงักไปได้เรื่องของยิเลงเรื่องใดก็ว่านเขามาขวางไปหมดหมเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเลและเรื่องของธรรมต้องการความจริงนั่นทำนั้นเป็นความจริงล้วนๆไม่ว่าแต่ทำทําขั้นใดพื้นๆของธรรมก็ตามจนกระทั่งถึงทขั้นสุดยอด มีแต่เป็นความจริงนวลๆไม่มีคาว่าปลอมเลยเราต้องการความจริงเราอยากรู้ความจริงอยากเห็นความจริงจากสิ่งจาปลอมทั้งหลายซึ่งกำลังครอบหัวใจอยู่ลานี้ดังนั้ น, ค ว, ออนความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจขี้ข้านมันก็ไม่เหนียมหน้าที่จะมาครอบหัวใจกีดกันร้อยด้มากนะหมายนะักมันก็พอฝากปืนอดทธร์กันไปได้ ทนเพื่อรู้ความจริงนี่ไม่ได้ทนเพื่อจะหมอบร่าของกิเลสเนี่ยแล้วทนเพื่อสู้กิเลสอันดับต่อไปเขาเพื่อรู้เห็นธรรมซึ่งเป็นของจริงที่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าทมคำเดียวทอนนั้นถึงถึงไหนความมีอยดอ่อน พูดที่จะพูดจะกล่าวคำ ว, ว่าทํามตอนนั้นครอบหมดโลกธาตุเลยสิ่งที่จะได้คําว่าธรรมครอบหมดโลกธาตุมายืนยันก็ใครจะจะไปรู้ใครจะสัมผัสใครจะไปกระช่อยืนยันนี่าถ้าไม่ใช่ใจเท่านั้นเพราะใจเท่านั้นเป็นผูดที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขันม้นนั้นๆจนกระทั่งถึงทํามันพเพื่อเสริ เหนือโลกทั้งหลายก็มีใจดวงเดียวานั้นแล้วใจดวงนี้เองเป็นผู้ประสบเป็นผู้พบเห็นเป็นผู้สัมผัสสัมผัสเป็นผู้สงไว้เป็นผู้จะนํามายืนยันเพราะเป็นความยืนยันในความลุ่งตัวกับธรรมที่เป็ น, นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วต้องสามารถออกมายืนยันข้างนอกได้ธรรมธรรมจึงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ให้ใจแปลเสเอง แต่ด้วยภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวศอย่าลืมนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกแยกนิดเสียนิดผิดนิดแยกมากเสียมากผิดมากพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้แยกท่านพยายามให้ทำทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกันโดยลําดับลำดาด้วยความภาคเพียรทุก ระยะทุกเวลาเวลาทุกอุยาบทนี่แต่การความเพียรเพื่อพยายามเพื่อให้ทำทั้งสามโปรเภท์นี้ไม่เข้ากลมกลืนเปน็นอันเดียวกันถึงจะเป็นทำทั้งแทงขึ้นมาได้ถ้าลงแยกแล้วไม่ได้เดียนก็เข้าใจว่ารู้เสียได้เรียนม า, มากนอ้อยเอาความจำนั้นมาเป็นมรรคผลที่ผ่านเสร็จทั้งที่มันเป็นกิเลสไม่เป็นกิเลสยังไงความต้องกามาตนรู้ตนฉลาด นันเป็นเรื่องของกิทั้งนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในความจําในคําว่าธรรมว่าธรรมนันมันก็มีแต่ชื่อคำว่าธรรมธรรมจริงมันไม่มีมีแต่ความจําปลอมของกิเลสที่ไปอยู่บนนั่นเสียมองหาธรรมไม่เห็นเนีย่ยที่บอกปริญัตเราเห็นไม่ได้หรือไม่ว่าใครเนี่ยเรียนไปมากน้อยเท่าไหร่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ ถลอกลอกเปาะิดไปเพราะการเยียนทั้งเราถ้าไม่มีภาพปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันมีไม่ได้นอกจากสั่งสมจิเลตขึ้นมาในขณะที่เรียนขนาดที่จดจําได้มากน้อยเท่านั้นพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามความจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามีภาพปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนนั่นแหละความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความจริงเริ่มปรากฏก็ปฏิเวทคือความรู้ความรู้แจ้งไปโดยลำดับลําดาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัด ในทำทุกขั้นจะปรากฏขึ้นโดยลําดับล่ะนี่ทำดังสามประเภทนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ในหลักาศาสนาธรรมในหลักการสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสอนอย่างนั้นด้วยไม่สอนอย่างอื่น <c oughs> ให้ถือเรื่องความจริงเป็นหลักใหญ่เป็นตุดเป็นที่มุ่งหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของเรา อย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟหรือเป็นภัยมากีดกันหรือมาเผาความเพลียนของเราให้ล้มละลายไปทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เพียนคือความขี้เกียจอ่อนแอความแทะท้อแท้เลี้ไหลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของนองิรลศให้พากันทราบเอาไว้จะกีดกั้นของจิ่นทําของกินงก่นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องทาการความจริงความจริงให้เด่นอยู่ภายใจิตใจเน้ะนั่นจะเป็นไปเอง ทุกก็ไม่ต้องมาสนใจกับคำวมาทุกที่จะให้สุดเอื้อมในความจริงทั้งหลายทุ ก, ก็ทุกเพื่อจะกล้าเข้าสู่ความจริงที่ต้องการนั่นแหละก้าเข้าไปจะทุกข์มากทุกข์น้อยเคยทุกข์มาแล้วส่วนมากอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยเป็นภาพหน้าของยิ่งใหญ่เท่นั้นทําไมจะไปหวัน่นไปไหวในเรื่องทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ในขันอยู่ในจิตนี่ แล้วทำก็จะแก้สิ่งที่เกี่ยวข้องในขันในกิจนี่ให้มันพังทลายลงไปไม่ว่าจะทุก ป, ประเภทใดสมุทยัยประเภทใดที่มีภาในจิตจะแก้จะถอดจะถอนกันที่นี่ต้องใช้ความพยายามขึ้นมากเห็นว่าธรรมของพระเจ้าเป็นของประเสริฐอย่างนี้ว่ามันเป็นเห็นมันเป็นหนึ่งแต่ภายในความรู้สึก ชีพิู้เพิเผยนี่เฉยมันไม่ได้รู้อย่างถึงความจริงภายในจิตใจจนกลายเป็นความมุ่งมั่นขึ้นมาให้เกิดความหนักแน่นในความภาค ย, ยันและประโยคพยายามทั้งหลายมันจึงเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าทีก็ไม่ได้อยู่ลือยู่งตื้นที่ไหนก็อยู่ที่ความรู้รู้อยู่นั้นเนี่ยลึกตื้นที่ไหนก็ศูนย์กลางก็คือความรู้ความพุ่งสร้ก็มันก็ตั้งทับอยู่กองทับอยู่ที่อีกดวงนี้นิเรศเข้ามาตั้งกองทับไว้ที่นั้น กามาตัญหาพระวตัญหาวิ่พระวตัญหาซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ขึ้นตรงนั้นเลยขึ้นจากกองท้ำใหญ่คืออวิชชาเป็นแม่ทับการมาตัญหาพระวัระตรัญหาก็แตกกระจาย ก, กันเป็นแม่ทับนั่นแม่ทับนี้ไปไเงไงรื่อยๆอย่างานี้สร้างมารรคปฏิปทาในธรรมจักรกับโพธรลสุขนหมเสื้อยี่ที่ดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสร้างกับโพ ยกปัญญาขึ้นนึ่มีเครื่องทําลายให้กองทัพทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่กองทัพเข้าไปถึงแม่ทัพพังทลายไม่มีอะไรเหนือนี่อกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาตัวสัมมาจีวะสัมมาวายามุสัมมาสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นนั่นเอามานั่นเอามาเครื่องประกอบนั่นเอามาเครื่องหุนเอามาเหมือนว่าอย่างนั้นคําบอก อเอาเข้ามาเข้ามารวมตัวกันไม่มีกําลังหนุนเข้าไปไ ม, มันทังทลายมันอยู่จุดเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่ไหนยาไปหาดินฟ้าอากาศว่าจะมีกิเลสทันหาตัวใดไปอยู่มันไม่มีหาสามหมดโลกธาตุนี่ก็หมดโลกธาตุเฉยมันจะไม่เจอเพราะกิเลสไม่เคยเอาที่ใดเป็นสถานที่อยู่ที่ทําลายที่เพลิดที่เพลิน นอกจากใจของสัตว์ท่านั้นนี่การทําลายกิเลสเราจะเอาดินฟ้าอากาศมาทำลายได้อย่งไรสถานที่นั่นที่นี่มาทหลายไม่สําเร็จเพราะไม่ใช่จุดที่ทํำลายอย่าไปเกาไม่ใช่สถานที่คันมันคันอยู่ตรงที่กิเลสชอนไฉมันเนี่ยมันทิ่มมันตํามันชอนมันไฉมันดีดมันดิ่นอยู่ตรงไหนมันคันตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นมันถูกตรงนั้น ให้ขุดค้นลงไปเกาลงไปตรงนั้นขุดค้นไปตรงนั้นทําลายลงไปตรงนั้นศูนย์กลางของแม่ทับยีเลศอยู่ตลอดถึงกองทับทั้งหลายก็คือใจศูนย์กลางแห่งการทําลายของทรรมทั้งหลายที่จะไปทําลายยีเลศก็อยู่ที่ใจเพกความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเข้ามาสู่ธรรมความรู้สึกที่เป็นไปนตาหน้าของยีเลศเพกเข้ามาสู่ธรรมเท่านั้นก็ถูกจุดเดียวกันและทําลายกันลงได้ อยา่าไปคิดที่อื่นที่ไหนให้เสียเวล่เวลาการนั่งกันตลอดถึงอำนาจวาสนาน้อยมีแต่การสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเอะมันสร้างตัวเองขึ้นมามนเลยที่ไม่ได้เรื่องเวลาอะไรเป็นประตามหากเป็นไปตามที่แนะนำสสอนนี้จะไปไหนวะความสงบมีได้แท้อยู่ภายใน จ, จิตใจตรงนี้ถ้านำธรรมที่กล่าวเหล่านี้มาใช้ คนหนักต้องหนักคนเบาต้องเบาหากเป็นไปในหลักธรรมชาติแห่งความจําเป็นที่บอกกันอยู่อย่างชัดอย่างจะชัดภายในหัวใจของเราผู้ประกอบความเพียงนั่นเองถึงข่าวเด็ตมันเด็ดจริงๆแล้วเป็นของมันเองแล้วก็เห็นผลประจับในขณะที่ทําจดิตันมันจะคึกขนองขนาดไหนก็หนูทําไปไม่ได้เมื่อได้จับ ทำแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยเงือนของกิเลสนั้นเข้ามาสู่ทำจับทำขึ้นก็ฟัดกับกิเลสเท่านั้นเองความสงบรากมันก็มีขึ้นในใจอยาเสียดายอะไรในโลกนี้ใช้ได้ทําไมดินก็เหยียบย่ํากันไปมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายทั้งล่างเขคือก้อนดินเหมือนขี้โครนก็ถูกเพราะมันจับคาไปด้วยน้ํามีท่านน้ําก็มีอยู่ใน ร่างกายของเรามันถึงไม่แห้งไม่กรอบไปน้ำมันก็มีอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายมั น, มนก็เหมือนขี้โคนพอเอาน้งออกก็เลอะเลอะไปหมดเหลวไปหมดเปื่อยไปหมดพอจิตริญญาณผู้รับผิดชอบนี้ออกแ็่เท่านั้นอะไรจะมีชิ้นดีมีหมายไม่มีทางปริการทางนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยทางไปพร้อมพร้อมกันโดยลาดับลำดา จนมาสร้างทิ้งกระดูกที่แข็งที่สก็ทนไม่ได้ทางเหมือนกันหมถ้าขาดความเชื่อมโยงคือความรับผิดชอบของจิตเสียงอย่างเดียวกระดิ่งดูสิก็เห็นกันเบียดชัดน้ำํำเราไปหวังอะไรข้างนอกก็ดินน้ําลมไฟอากาศเนี่ยข้างในก็ดินน้ําลมไฟอากาศก็มีช่องว่างภายในร่างกายนี้มันก็มีอากาศหาอะไรตื้นอะไรกัน ผู้วิเศษสอนอยู่แต่แค่จะ ท, ทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมอีแค่พระอได้รับชัยชนะจากวิธีใดก็นําวิธีนั้นมาสอนวิธีจะแพ้ไม่สอนและไม่สนใจในวิธีที่จะแพ้ก็ เ, เคยแพ้อยู่แล้วเคยหมอบราบกับมันอยู่แล้วนี่งคีอเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในพุทธถานนี้นี่คเด็กเท่านั้นเป็นผู้ครอบหัวใจโลกหัวใจสัต และมีธรรมเท่านั้นที่จะพังทลายกิเลสออกจากหัวใจสัตว์ให้เป็นอิสระขึ้นมาได้อย่างเต็มตัวไม่มีอะไรดันั้นเราอย่าไปกำหนดความกว้างแคบของโลกที่มีอยู่มากน้อยขอบเขตจั ก, กรวาลอะไรก็คิดไปก็เป็นเรื่องของกิตคิดว่านู่นคว่านี่ล้มเหลวไปหมดแล้วตื่นความพินดแต่ของหลงความคิดหลงอารมณ์แต่ของทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความหลงอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งก็เคยหลอกมาอยู่แล้วเป็นประจำมันก็ไม่เข็ดไม่หล่ะเพราะกิเลสไม่ให้เข็ดหลักความเข็ดตรงกิเลสึงไม่เคยมีความเข็ดในกิเลสันไม่มีกระทบกระเทือนกันได้รับความลำบากระบนุขนาดไน้นมันก็ไม่เข็ดถ้าม่เอาธรรมเข้าไปแก้กันมันไม่มีเข็ดใ น, นที่เขาเห็น เปนมาหมายว่าเขาอิมธรรมพอปฏิบัติทำแล้วจิตใจแหมยิ้มแย้มแจ่ใสชุ่มชื่นเบิกบานจะพูดให้ใครฟังก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกหกนะแทนที่เขาจะรับความจริงนี้ไปพิิพิจารณาและปฏิบัติเขาจะไม่รับต่างเขาจะว่าเราโกหกไปเสีย ก็ไม่ทราบจะพูดอะไรก็เลยพอพูดให้เขาฟังเฉพาะหลวงตาเขาว่างจีจันอ่อนนิ่มเยน็นฟังที่ท่า่เขาเป็นคารวาสนะสบายหยิดสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันมีแต่เรื่องความหิวความหงุดมีแต่ความลำบากลําบนจากนั้นมาก็เป็นความถูกเี่ยพอคิดในแง่เนี่ยทําทําให้เกิดความยืดเยื้อแจ่ใส อะไรๆก็พอไปพอไปาตามกั น, น ท, ท, ทั้งๆติก่อนแต่ก่อนความโลภกว้ามากหาความพอไม่ปรากฏเลยตั้งแต่รู้จักยังสาภาวะมาะไม่ปรากฏว่าความพอนะั้ น, ะนะได้ปรากฏขึ้นแล้วจากความโลภแน่น้อยหนึ่งก็ว่าความโกรธก็ไม่เคยพอโกรธได้ทุกเวลาคิดถึงเรื่องให้โกรธบุคคลแก่โกรธเมื่อไรโกรธได้ทั้งนั้น ไม่เคยปรากฏขึ้นมาว่าพอว่าอิ่ตัวฟังดิเขาพูดเนี้ยขึ้นชื่อว่าเรื่องของโลกแล้วอยากจะว่าอยากจะพูดไปหมดเลยว่ามัญหาความพอไม่ได้ว่ากันพอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมอะไรอะไรก็พอพอที่นี้ความพอนี้ทําให้เกิดความสุขความสบายความไม่พอความอยากความหิวความกระหายนั้นมีแต่เรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองฟังดิเขาพูด พอจิตได้ดื่มทำเท่านั้นความความพอมันมาตามกันมาเรื่อยๆความพอมีมากเท่าเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเลยเบาไปหมดในใจไม่ได้ไม่ได้คิดว่าได้มีอะไรเวลานั้นมันมีแต่วความพอดีมีแต่วความพอเลยสร้างความสุขให้จาวาตลอดนี่ฟังใจเขาผู้ อีตะกานก็ได้ยินแต่ว่าทำทำก็ไม่ทราบว่าวทำอยู่ที่ไหนนะคนทําให้ปรากฏภายในจิตใจเจ้าของแล้วจะพูดไม่ได้นะพูดคําเหล่านี้ได้ยินแต่ว่าทำทำกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็กราบปัญญานั้นแหละว่า่างั้นนะเพราะเชื่อเดิมเป็นความเชื่อยอยู่แล้วว่างภายในจิต ปู่ ย, าาย่าตจยายก็ฝ่ายเชื่อพราะเคารพเรื่องสายหมาเลาก็เกิดความเชื่อความสาสยตามนิสยัยแต่เวลาได้มาปฏิบัติธรรมข้อนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่ให้เด่นชัดกระจายไปได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็คือสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี้แหละ ใจรู้สึกเย็นอิม่มพอทําการทํางานก็ทําไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความทะเยอทยานจะก่อนทะเยอทยานมากแล้วก็มีความทุกข์มากเนี่ยฟังดิความมั่งความมีก็เคยมั่งเคยมีพอแม่ก็พา ม, มั่งพา ม, มีมาพอสมควรไม่ได้ไม่ได้อับได้จนเรื่องสถาบันบัตรว่าจะมีความสุขมันก็ไม่เห็นตากรนั่นแหะฟังดิในพอมาปฏิบัติทำความมั่งมีก็มั่งมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็ไม่จน แต่ิตมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาสู่ตัวเองนะ่ น, นแทนที่จะไปอาศัยสมบัตินั้นสมบัตินี้ให้เป็นความสุขมันกลับไม่ไปอาศัยซะแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เลยกลายเป็นความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมาความพอก็พอมาเรื่อยเรืยแล้วลอิ่มตัวมาเรื่อยเรื่อยนันนี่กิตนี่เลยกลายเป็นความอิ่มตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจน ความอิ่มานนี้จะว่าเป็นยังไงถ้าไม่แท้ถ้าไม่ว่าทำไหนแล้วคำว่าทำอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้สึกว่าหายสงสัยเป็นลําดับลำดารวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงนี้นั่นบังได้เขาก็ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ลึกเลื้นอะไรลุกซึ้งอะไรมากนักแต่พอให้ได้สักขีพยานซึ่งก็ไม่เคยปรากฏเพราผู้ใดมาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างชัดเจน ก็ได้อ่านตำรับตําราอ่านหนังสือของครูอาจารย์ที่เขียนตลอดถึงฟังเทปถนะ้ามาปฏิบัติการฟังการนั้นอ่านหนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อผมมาปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วทําให้เกิดความเชื่อในทำทั้งหลายที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังจากหนังสือและเทปนั้นเข้าไปโดยลําดับลําดาฟนะังเลยนี่พูดถึงเรื่องธรรม เลยหายสงสัยคำว่าทำมีตลอดเวลานั้ น, นมียังไงขอข้อจิตเป็นผู้ไปรับรู้ทำทั้งหลายจะให้สงสัยไปไหนเียงรับรู้ขนาดตามปร ะ, ประสีภาษานี้ก็เป็นที่อบอุ่นพอสมควรอยู่แล้วว่าอย่างนั้นน่าฟังเขาองค์ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเข้มแข็ง ทำอะไรต้องมีความจริงจังอยู่ภายในตัวอย่าให้หล่อแหละนั้นความหล่อแหละนั้นเวลาเชอบสู่ทํามล้วมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนหล่อแหลกแต่มันทำคนให้หล่อแหละต่างหากตัวกิเลสจริงๆไม่ได้หล่อแหละแต่ทำคนให้หล่อแหละอยูให้ ล้มเหลวไปตามมันนั่นแหละพฉะนั้นเวลาเราเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมยิ่งนําความเราแหละเข้าไปปฏิบัติต่อธรรมไม่ได้ไม่เกิดผลปฏิบัตไิไปเท่ายก็เท่านั้นสุดท้ายไปรับเอาวั น, เ อ, นเอาปืนเอาปีเอาเดือนเอาเวลาเวลาที่ประกอบความาเปขียนมาเป็นมาเป็นผลแค่ดีไม่ดีกลับเอาสิ่งอันนี้ไปเป็นเครื่องทักถมโจมตีธรรมให้แหลกไปตามๆกันแล้วเกิดความท้อถอย หยุดชะงักหรือหยุดไปเลยไม่ปฏิบัติตัวให้ดีจิตที่ควรสงบต้องเย็นได้รับผลจากธรรมเมื่อความภาพเขียนก็เลยล่มเหลวไปตามๆกันหมดเพราะทนการถูกกล่องกิเลดไม่ได้หรือเพราะความไม่รู้ว่าตนได้ถูกกล่อมจากกิเลสนี่เนี่เป็นก่องสำคัญในกนารนำมาพิจรนนารณา เราอย่าด่วนหาความสุขความสบายทั้งๆที่เรายังไม่เคยได้ความสุขความสบายตามทางของศ า, าสนาที่สอนไว้ถ้าสุขก็เพียงเหยื่อล่อของกิเลสเท่านั้นมันเสียบไว้ที่กายเบ็ดนั่นให้งับเข้าไปนิดหนึง่งพอมีรสชาตินิดหนึงแล้วก็ถูกตะหวัดเลือดสาดออกในวาระหลังนี้เป็นยางไงสุขใหม่นั่นแหละเรื่องกิเลส มันทําผิดคนมันทําอย่างนั้นก็มีเหยื่อล่อตาก็ไม่กินเบ็ดที่เบ็ดมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสัตว์โลกโลกยิ้มเนตติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะและ้วเหมือนเรื่องที่เด็ดเพราะเคยอยู่ก็มันมาจําเจมันเคยทรมานมาอย่างจําเจมันเคยโหดน้อยทาดู บีหีไฟมัดเช็ดเป็นนานแสนนา น, น, านไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทําเข้าไปเป็นเครื่องวดัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทําสังหารทําลายมันแล้วจะไม่ได้คําว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยเฉยเนี่ก็แบบทัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเนี่ย ร้างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทําทําให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำไปให้เบื่อขึ้นว่าขี้ขี้วิจิตรไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรจะโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิจิตรเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดเนี่ยมันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยมันถ้าทาท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอดไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะ ความดิฉะจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมังสนังก็ฉามนินี้ก็เป็นเข็มทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลา ด, ดําเนินแตพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วทำเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางด้วยปล่อยวางมันก็รูดอยู่พันในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี้มันมีทางเข้ามาพอกล้าก็มาถึงที่แล้วทางกับ สถานที่นี้ก็หมดปัญหาไปเองคาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนียวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระถึงจุดหมายปราทางนันก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปราทางแล้วคาว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นนันก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาถึงจุดที่พอกับความต้องการ มันขอให้พากันตั้งหน้าต่างๆเพฤ่อ ป, ปฏิบัติมีมากผมุกว่าทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอาดเหนื่อยนายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเดี๋ยวคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาพเขี่ยน ไปสององเป็นอย่างหนึ่งสามองเป็นอย่างหนึ่งไปถึงสองสองสามองไปแล้วไม่เป็นท่าสําหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกําลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียว จะเป็นจะตามมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมนก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทําไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อ ต, ตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไรต้องรู้การประกอบความภาคเทียมเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันเป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มี ผู้ใดมาแย่งมาชิมเอาเวลัมเวลาหน้าที่การงานตนให้ขาดรักขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะถึงั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดานแล้วนั่นก็ยิ่งเนี่ยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความชนิทแนบแน่นภาน จ, จิตใจเป็นความเหมาะสมตรับเวลา ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจํานวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้จัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นอย่างมีมากเป็นอย่างแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินในฝั่งเราก็เอเนีผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ทไม่สะดวกไม่ทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อ บ, บรลบคูมิานกันไ ป, ปถูกถานกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูตุ ด, ด คือตัวเองเป็นของสาคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทําด้วยกันแต่สําคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเ จ, จ้าจของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีได้ช่วงเจ้าของเอง แก้ก็แก่เจ้าของเองต้องห้หมายถึงจุกนี้เป็นสําคัญในาการปฏิบัติตัวยาไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแต่การดําเนินของตัวเองความปิดความถูกนั้นแนะนําตัะเกียร์ต่างสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทาด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอหนมนุษย์นิ่มช้าอย่างเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันมารู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ไมฟังครับ ทำกันด้วยเหตุผลกระทั่งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติทำรรซึ่งเป็นองค์เหตุผลอยู่แล้วต้องยอมราบการเรื่องความวดดิบวดดีวดเด่นวดรู้วดฉลาดวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านําเข้ามาให้เป็นอุปสรรคมรากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดําเนินทำให้เสียไปเลยมิทำล้วนๆเท่านั้ น, นที่มาปฏิบัติ อยาน้อยก็ให <el> ้ตั้มหนีมตนมาต่ำไม่เสมอนะน่ะเหมาะนี้าเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากจิตก็เป็นสุขการเพืปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําเพื่อเราไม่ว่าภอวัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทําเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เกี่ยวโยงกันจึงต้องมองดูท่านมองดูเรา มองดูความหนักเบามากน้อยในวงคณะด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันไม่ให้หนักมากไปในบางหลายไม่ให้เบามากไปจนขี้เกียจจะเน่าเปะเป็นบางหลายไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นมันนั่นไม่ใช่ธรรมตั้งใจปฏิบัติการคืกผัดอบรมทางด้านจิตตภาวนาก็เคยสอนอยู่เสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มผู ขอให้มีความรินจังต่อหน้าที่ในทำคันนั้นๆของตนหนึงดูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นจึงตรงนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยจะแยบนุ่นแยบนี้บางคราวเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปแล้เป็นเวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะมาแยบได้สติอีกทีหนึ่งทีน่นั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองมันต้องให้เอากินอาจังอยู่ในสนามรลคือที่กิจนี้ ผู้กำหนดอนาปานุสกิก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาขวนคือจิตนี่แหละไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรเอเรื่องภายนอกที่จะมาขวนมันไม่มาแหละจิตนี่แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กระเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งอย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งอย่างนั้นมาขึ้นมาไม่ได้น่ะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปํากันนั่นหมายไปวาถ้ามาดโพสขึ้นมา หลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่นั่นขนาดที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อเอาของกินไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำอะไรจะทําไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานทั้งตนเองในขณะที่ทําทําราวกับว่าไม่มีอะไรไมีแต่ความรู้กับงานที่ทําอยู่เพียงเท่านั้นพอนานเหมือนกันยาไปกําหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องประยุ่ษ ให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้ทํางานที่ทำมมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจิตปัจจุบันปัจจุบันนะจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออนาปานสสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้แม้กาเจดจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินซะหมดให้อยู่กับนี้ทำมาท่านไม่ต้มใครแหละ ส, สุขแบบท ร, รแล้สบาดถ้าสุขแบบพิเด็ดแล้วแหลแ่ไปหมดเน่าเฟะเหม็นครุงใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมห า, ายใจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมห า, ายใจมันดับจิตก็ดับขึ้มันรู้ที่ไม่มีอะไรรู้ให้มันเป็น กรรมฐานหัวต่อใหไมัรู้ดินั่นนะ่ะคำว่าให้มันรู้นั่นนะ่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรกัจะรู้กันมาหมดในขณะที่พรวนะเราได้เห็นด้วยสีได้ยินแต่กครูบาอาจารย์ท่านพูดมาจิตมันรวมแปลกประหลาดอาศจรรย์เป็นยังไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทําให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทําให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยกลลยันทุกคนจริงที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเรา ไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแลลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมา้ายในจิตนี่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกามันมีขอบเขตของนานไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้แหละสิ่งเหล่านี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรเคยได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเท่ย น, นั้นละเอียดละออก ลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้า ง, า ง, างไปเรื่อยสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นนี่เห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภยัยมันฝังจมยิ่งมันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอํานาจของปัญญาด้วยอํานาจของสติเปิดเผยขึ้นมาข่ากิเลสข่า ว, ว, วิธีใดก็ไม่ต้องถามใครมันเป็นไปในตัวนั่นแหละระหว่ า, วางกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นข่าสึกกัน ที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นคำว่าสงบสงบท่านพูดไว้พอประมาณได <c oughs> ้พูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่วาดไม่ไหวที่จะนามาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองอย่าบละเอียดหรือลึกซึ้งขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นธรัติของตัวเองแท้ ขณะที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขณะที่ค่ากิเลสไปตามๆกันนั่นเองไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้เบเฉยแล้วกิเลสหัวเลาะเยาะอยู่ไม่เคยมีนี่เลยก็ต้องหมอบลาบไปเรื่อยนี่เพียงวงสมถะอันนี้ถ้าเราก็ยังทําไม่จริงทําไม่ได้หาความสงบม่ ไ, ได้เราเอาความสุขที่ไหนาจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราเออจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขานี่ ผ้าเหลืองก็เคยพูดแล้วแต่มาพันจนกระทั่งไม่มองเห็นตัวคนก็ได้ผ้าเหลืองแปลประหลาดอัศจ ร, รรย์อะไรถ้าเจ้าของไม่ทําตัวให้ของให้เป็นของอัศจ ร, รรย์ด้วยอดด้วยธรรมพระเจ้าอันนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบเท่านั้นให้ตัวเองทราบเท่านั้นไม่ใช่เรื่องวิเศษวิสโสตามความมุ่งหมายของธ ร, รรมที่อาจารสอนไว้ความวิเศษวิสโสก็คือทำภ า, ายใน จ, จิตใจของผู้ปฏิบัติได้มากน้อยนั่นแหละ เป็นความรู้ศึกทำให้นจริงมันต่างสงบเย็นก็เคยได้พูดให้ฟังอเราก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เคยพูดเราอัปจย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ท่านสาธิกาเหตุที่จะเป็นก็ น, นั่นแหละท่านก็จนกรอกท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอกมันตั้งสิง ถ้าติตปัญญาแล้วคนเราเกิดได้มีได้ในขณะที่จําเป็นไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงคราวจาเป็นแล้วอัตตาหิอุตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยีบยกออกได้หรอความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในท่านในขันในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจนาเพื่อลบดีบลีบตัว ให้เตัวรอดไปได้มันก็มีแต่นั้นเมื่อไปแค่ น, นั้นอัตราหิเป็นตัวโถก็มาเองพูดให้ฟังครัอัจจฉันเจ็บบิดปวดหนักเป็นเรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้ว อ, อะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทําเราโยนยา เขป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเกิดเกิดมากก็ไม่ได้เกิดกับหยุดกับยาของว่างมันมันก็เป็นอยู่ในข่ายขันเอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันที่จะเอากันไม่เต็มที่มันก็เอาเลยกันแบพิจารณาลงด้เวยเ้วยเวลามันจนเกาะมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นอีมโลด พอจิตลงเพลิบไม่งี้โอ้โธ่ทลกธกาตุนี้หมดทันวะคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างนี้มีแต่ความแปลกประหลาอดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนประหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุทั้งหมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นทันวะมาจิตถอนขึ้นม า, ม า, นนมาโรคหายหมดนั่นปั้งเด็กเป็นผู้ เราอัศจรรย์ตอนที่อะไรเจ้าป่าของมาจะมาฆ่ามาทําลายท่านแบบเหล็กตั้งถอนม า, นาเหมือนกันในที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคนะือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้ตนมาเรืเ่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงจานานมาก ท่านเคยเป็นมาตามนิสัยมาเดยวลามาเป็นเราก็เป็นมีิงิมันก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นเป็นอยู่ที่น้องผืนพิจารณาร่างกายเนี่ยแต่ไม่ไม่ไม่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าทุกมีมากนะพิจารณาันร่างกายธรรมดาๆ มันก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันมดเลยว่างไปหมดออเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขนะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอ ค, คิดยําดับไปเสีย กำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั่นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันนังว่างของมันอย่างนั้นถึงอัศ จ, จรรย์อันนี้ก็อัศ จ, จรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งนนในส่วนที่อัศ จ, จรรย์ใ น, นเรื่องต่อสู้กับทุกเวทน า, นาดังที่กล่าวนะนั้นที่จมันสาบา น, นมนต์ก็ดูว่าเป็นหนึ่งนั้นก็เป็นเมื่อในเป็นนั่นเลยเห็นมันพูดได้ เป็นเจ้าของลูกเน็นเจ้ของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังลู้จำพอเจ้าของจะแทรฉันที่จะโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นกาตามก็อาศัยความจริงนั่นนำออกมาพูดได้หรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโพสก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั่นกาตามก็ยังพอเป็นคุยหมายป้ายทางได้ นนแหลผู้ฟังเพยึดเอาเป็นกติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี้พิสดารมากหนาะนไ่กล้าพูดสิมันกล้าพูดยังไงมันก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แต่แอะไรจะไพิสดารนี่กว่าใจเราจะไปคาดใจคาดคาดไม่ถูกทางนั้นแหละอือคาดกับผิดไปทั้งเพี ไทยที่ได้รับการฝึกฝนรับการทนมานชั่มละซักพ่อออกในสิ่งที่ยึดในกรอบหรือในข่ายของความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาด ห, ห, หมายถูกก็ถูกตามอํานาจของอันนี้เองมันไม่ได้ถูกตามอานาจของธรรมอันนี้ใครคาดก็คาดได้เพราะกิเลสพาคากิเลสพาดลิน้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุกกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกรอมให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับ ว่าถูกอยู่นั่นแหะถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษทั้งมันได้เมื่อไม่มีสิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้แล้วจะเห็นพิรุธเห็นโทษทั้งมันได้พอจะถอยตัวเอาหาได้ยังไงแต่เมื่อทําจับเข้าไปจับเข้าไปมันเสียมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดลสมันพังออกพังออกพังออกพังอเอ้าเอามันเต็มที่เต็มยันซะพังซะจนหมดเอาค่าที่ค่าจิตตรงนี้น่ะ ในคาดได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินคาดเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินคาดเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลื่เลิศยิ่งกว่าจิตนานผู้ได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดไต่อย่างนั้นมีคาดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดคือเรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดอย่างนั้นกัน ที่เด่นก็พังไปเสียอลังคารโลกจะว่ามีก็ว่าย่ำออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั่นต้นไม้นี่ภูเขานั่นบินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรูเ้เคยนแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปย่ำออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแนละ้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไง เขไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีเด้วยมีเขาก็กินอะอย่างนั้นเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่แบบนี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสาร้ายป้ายสีสินนั้นนี่เที่ยวยกนั่งยอนี่เหยียบนั้นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างจริงอ้ยิ่งมีแต่ความรู้ด้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยกออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มี นี่อะไรหลงก็หลงจริงที่เจ้าของสําคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วเมื่เจ้าของเขาไปสําคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสําคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับธรรมดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสาคัญก็ก็มาหลอกไม่ได้นี่เอย่างสัญญาในขันนี้มันก็มีของมันแต่นม่ีอะไรที่จะหลอกให้หลงที่เด็ดตัวหลอกมันตายหมดแล้ว ยังแต่ข <pl ans> ันก็เรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนๆไม่เคยหลอกใครมีแต่ยี่เรียหลอกพะเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอกขันสมถะก็สงบให้เห็นจากภาพปฏิมาตนี่แหละขันปัญญายิ่งพิสดารหรือขันวิมุลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหน าหาอะไรพณิพาลมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกมันทุกอยู่ตรงไหนแต่ทุกอยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งเหล่านี้ออกหมดถอดถอนทั้งหมดไม่มีบังคับแล้วก็เป็นอิสระเป็นตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติถึงไม่ใช่ความรู้เจือปินไปด้วยความเสศสันต์ปั้นยอ่อแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้ว น, วนเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติ ความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะพี่นินาที่เรารู้เร่นเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอันหนึ่งนะเนะพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมุติสมมุติเชเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์ทั้งนั้นแหละเพราะมันเป็นสมมุติ ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์นะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมุติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี้ก็เป็นสิ่งสมมติแล้วนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ถ้าพูดที่นยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมข่าวทีวันนั่น ไม่เคยเห็นอาหารหันอะไรอือยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังให้เหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทํำก็ดูนเสียไปีกมากมายให้มันรู้เรื่องซะก่อนสิพระอรหันท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้สิชาคาละชาคาละที่ว่าพระอรหันท่านตื่นอะไรท้งท่านตื่นก็นม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรพักเรื่องธาตุเรื่งขันก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ในทั้งสองนี้แล้วมันไม่ได้สงสยัยเลย คนต่างรู้ม่าท่าขาตั้งทักตัวหรือว่าหลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับเป็นยังไงเขาจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็ในท่านในขันงเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสพันธ์ใจแล้วก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรมีพูดในอย่างว่าย ฟ้าก uhm. ็ะหึ่มก็ะหมอคิดถึงกรุงเทพว่ะพอได้ยินฟ้าก็ะหึ่มก็หึ่มอคิดถึงกรุงเทพเคยเห็นไหมกรุงเทพพอได้ยินแต่เขาว่าว่ะหนักไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้าก็ะหึ่มก็หึ่มโอคิดถึงกรุงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นไหมกรุงเทพว่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันแหมที่ว่าพระทั้นพระทหารท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระทหาร ผู้ที่ว่าไม่ใช่พระหลานนั่นคือคนประเภทไหลนะไม่เาไม่ดูตัวเองบ้างมันโง่ไม่ฉลาดไปถึงไหนแล้วนี่ดูมึงสิปฏิบัตเข้าไปแล้วมันก็รู้เองเรื่องธาตุเรืงขันเป็นเรื่องของส ม, มุดแม้แต่รถเขาก็รถยนต์เขายังพักเครื่องเวลาติดเครื่องกันไปรถดยนต์ไม่มีวิญญาณเหรอฮะมันไม่มีวิญญาณแต่เวลาติดเครื่องกันไป ม, มันยังติดดังเป็นเป็นเป็นเป็ น, ปนหนไหม มันเอาวิญญาณมาจากไหนมั น, นดังๆของมันได้มันยังดับของมันได้เวลาคนดับผู้ขับก็เป็นอีกผู้หนึ่งนัะนปิดเครื่องอยู่ก็ผู้ขบับยังนอนหลับได้สบายแบบนี้ในรถถ้าจะหลับนะเนาะชาคณธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์กันชาคณธรรมของพระอรหันต์คือกิตที่บริสุทธิ์นั้นเอามาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไงสมมติความรู้กิเลสบีบหัวยี่สิบเวลาจะไปวิพากษวิจารณ์ ชากาชของพระหลานไม่ละอายตัวเองบ้างเหรอหรื อ, อยังมาตัวยังภูมิฐานตัวเองมีความรูม้ความชาอะไรขายตัวเองไปเท่าไหร่แล้วอันนั้นมันอยู่ในอำ น, นาจของขันนี่ไงเมื่อจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ดีในอำนาจของขันธรรมาชาตินั้นเป็นธรรมาชาตินั้นที่ยราชากราชากละ ผู้ตื่นอยู่กับมาขึ้นธรรมชาตินั้นไม่ได้คุ้นกับอะไรเลยเป็นของตัวเอง่จนมาธรรมชาติเรื่อขันจะตงับดับไปแล้วคือความรู้ที่จะมารับวันนี้มันกระดับไปหมดมารับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสในขณะที่ขันมันพักหนึ่งตาหูตูรีนกายตาก็พักความรู้ที่จะเดินผ่านทางสาตานี่ยก็พักทางหูก็พักพักไปหมด เวลานั้นไม่ออกมารู้มารับมาแสดงสมมุติหลับความรูออ้ประเพณีกระดิกเกลวขึ้นมาก็รับทราบไปหมดก็ตืนเนี่ยฟังที่ว่าความรู้นี่พักตัวความรูน้นี่พูดง่ายว่าความรู้นี่เกิดขึ้นความรู้นี่หลับไปมันเป็นชากรละเมื่อไหร่นั้นเกิดขึ้นระดับไปมันเป็นวิมุติเมื่อไหร่นั่นังเขา ธรรมชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้มีอันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นจึงอยู่ในวงสมมุติด้วยกันยีนาเข้าไปใช่ท่านอยากรู้แต่ท่านผู้รุ่นรินทำไมนำมาพูดอย่างนั้นน่ะประกาศขายโง่ตัวเองไครที่ว่าเป็นประเป็นอาะหันนัน่นหลับไปอยู่นั่นนอนอยังหลับอยูไม่ใช่อาลรหันน่ะอยากให้เขาพูดว่า คนที่ไปหาทํานายได้อย่างนั้นแหละคือจอมอรหันต์อย่างเขาว่างั้นเหนือจ <c oughs> อมอรหัน <c oughs> หต์พูดหลับตาพูดเราอยากพูดงั้นอะโง่แสนโง่ตามเราอยากจะพูดสนุกสนุกเว้ยพูดหลับตาพูดอวดหลับตาธรรมดาคนตาบอดทักกี่คุยน่นะเนาะคนโง่ชอบคุยโอ้คุยโม้โอวหัวแต่งคนโง่ มีคนโง่ทำตัวเป็นผู้ฉลาดมันก็หน้าหัวเลาะมันหน้าหมั่นไส้คนฉลาด์ทำตัวเป็นคนโง่นี่โวจับได้เมื่อไหร่อืมมันผิดกันนะคนฉลาด์ทำตัวเป็นคนโง่จับไม่ได้ง่ายง่นะแต่คนโง่ทำตัวเป็นคนชลาดนี่โว่เพราะแยบอมก็รู้ทันทีอย่างอาการที่ปุ๋ยพูดอยู่เวลานี้นะ่ะออืพระหรหันท่าสถึงพระรหัสถึงยังนอนหลับได้อยู่นั่นมันคือไม่ใช่พระหรหัสนี่ก็คือ นี่มันโง่จะตายมันอวดฉลาดมันก็ขายเต็มเตาแล้วสิ่นันผ่านท่านนอนท่านเห็นตื่นท่านฟังสิผานท่านหลับก็ดีท่านตื่นก็ดีถ้าไม่เห็นตื่นท่านเราไปตื่นอะไรเป็นบ้ากับเราทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้หลานไม่เห็นอะไรจะอวดตัวเองทาไมถ้าไม่ใช่แบบตาบอดชนต้นไม้แล้วยังอวดดีน่าเหอะสมหวังแล้ววันนี้มั้ ผมเจตนากูเลี primero, ้ยงกูพยายามมันจะโดนมันตั้งแต่เมื่อวานนี้นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยวันนี้สมใจกแล้วร่มลงไปแล้วนึงหันหน้าไปมู่นหันหลังให้ต้นไม้แบบนั้นอีกยังยังหันหน้าไปยังมาถูกต้นไม้อีกกูพยายามโดนมันตั้งแต่วานน้ำไม้ต้นนี้เนี่ยวันนี้สมหวังแล้วมันสมหวังก็ที่หน้าผามันแตกนั่นแลมองยังไม่มองดูต้นไม้ตัวที่สมหวังเลยนะตัวที่เป็นครูเดกคือแค่นั้นยังมองเป็มุ่นเอาหันหลังให้ต้นไม้อีกยังไม่เห็นอีกนี่มันก็แบบเดียวกัน ไม่ได้ว่าตัวโง่ไม่ว่าตัวตาบอดเลยนั่นคนโง่คนฉลาดเป็นอย่างนี้คนฉลาดทา ต, ตัวโ ง, โง่โห่จับไม่ได้แหมเงียนมากหรือใานะที่โง่โง่ไปเสียะเนี้ยถึงในฐานะที่ฉลาดเหตุการ์มันอบอกเองเป็นเป็นภายในลักธรรมชาติของท่านเองของของขอ ง, ของเขาเองคนตัวนั้นผิดกันอย่างนี้น กันตั้งหน้าต่งตางๆนหนะมีวาระ้ที่เขาเ้าพราเป็นวาลาที่ไม่ค่อยมีการมีงานเราระวังมากที่สุดเรื่องการงานที่เข้ามาทำลายวงปฏิบัติคือกิตตะภาวนาล้วถึงงานนี้เป็นสําคัญมากสําหรับพระปฏิบัติของเราไม่เห็นงานอื่นใดเป็นของสําคัญยิ่งกว่างานนี้การทําอะไรก็ตามหากมีความจําเป็นกระัดจะทําก็ทําต้องมีกฎมีเกณฑ์เอาไว้ มันจะทำเพื่อไม่ให้เป็นบ้าไปกับงานนั้นเพราะอันนั้นมันออกง่ายๆเรื่องที่เด็มันพาให้ออกง่ายๆเรื่องวันนี้ระวังมากนะเพราะมันมาจากแซงเสมอมันชอบฉลาดหาเรื่องมายุ่งหาเรื่องทําลายอีกด้วยมันไม่ได้มองหนูหหน้าเลยเวลามันจะฉลาดถูกทีเด็กลากจมูกไปมันไม่รู้ว่าถูกที่เด็กลากสมูกมันยิ่งหัวรู้หัฉลาดไปด้วย มื่อกี้มันผักมันดันออกไปไม่รู้ทําอะไรมันมักเลยเถือ่อเลยเถือ่อก็คิดเมันเคยพอดีเมือ่อไหรมันเลยเถื่ออยู่ตลอดด้วยอ่องคิดเทําไมมันจะไม่ลากคนไปให้เลยเถิดจ้ะถ้าทําต้องมีความพอดีพอดีพอ ด, พอดีอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมทําจะการระยะให้เหมาะเลยน่ารัวันนี้คือต้นนึ